วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามสิบธันวาคมพุทธศักราชสอง6ันห้าสหเป็นวันใกล้วันสิ้นปีคือเหลื อ, อีกมิถนวันก็จะถึงวันสิ้นปีวันสุดท้ายของปีสอง6ัน้าสหก หลังจากนั้นก็ปีสองพันห้า้ยหกสิบหกก็จะหมดไปเวลาอันมีค่าหนึ่งปีก็จะผ่านไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราอย่าประมาณกับเรื่องของเวลาอย่าไปคิดว่าเราจะมีเวลาทำอะไรต่างๆ ทางความต้องการของเราได้เสมอไปเพราะเวลามันผ่านไปผ่านไปชีวิตของพวกเราก็จะสั้นลงสั้นลงกำลังวังชาที่จะทำอะไรต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับถ้าเราไม่รีบทำในสิ่งต่างๆที่เราควรจะทำกัน ปล่อยให้เวลาผ่านไปโอกาสทองของชีวิตของพวกเรานี้ก็จะหมดไปโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรโอกาสทองของชีวิตนี้คืออะไรก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะสอนวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจที่จะยุติความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้หมดไปได้ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาคอยสั่งคอยสอนคอยบอกวิธีของการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปโอกาสนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆเพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากกว่าการที่มาเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉาน สัตว์เดราชฉานี่เขามีเวลาเขาออกลูกออกเจ้าเขาออกกันเป็นฝูงเป็นโหลมนุษย์นี่จะออกได้เพียงคางละคนเป็นส่วนใหญ่และบางยุคบางสมัยก็จะมีการคุมกำเนิดทำให้การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่และ การเกิดของพระพุทธศาสนาก็เป็นของที่ยากยิ่งกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกด้วยเพราะการจะมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้นี้ต้องมีการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งบุคคลที่จะมาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นี้ก็ต้องบำเพ็ญบารลี มาเป็นเวลาอันยาวนานเป็นหลายล้านแสนขับล้านด้วยกัน<ม>ถึงจะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ และพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นได้ทรงสร้างขึ้นมาก็จะมีอายุที่จำกัดเพือจะไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไปตลอดอย่างพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้พระองค์ก็ทรงได้พยากรณ์ไว้ว่า จะอยู่อยู่ได้ไม่เกินห้าพันปีหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาก็จะจางหายไปจากโลกนี้ตอนนี้เราก็ผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วผ่านมาเกินครึ่งครึ่งหนึ่งของอายุของพระพุทธศาสนาแล้วการมาอยู่ของเราเป็นมนุษย์นี้ ก็จะอยู่ได้ชั่วไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นเราก็จะต้องตายจากโลกนี้ไปคือร่างกายของเราจะตายไปแต่ใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายผู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการกระทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่จะต้องไปรับผลบุญผลบาป ในพบต่างๆตามอำนาจของบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ก่อนอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์เป็นเวลาหลายพันปีก็ได้หรืออาจจะไปรับกรรมในอบายไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายหรือไปเกิดเป็นสัตว์เลี้างฉานก่อนก็ได้ จนกว่าอำนาจหรืออิทธิพลของบุญหรือบาป ท, ที่ได้ทำไว้นี้หมดกำลังลงดวงวิญญาณถึงจะมารอรับร่างกายอันใหม่ของมนุษย์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้รับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามีมากมีน้อยมีการให้กำเนิดมากน้อยด้วย อาจจะต้องรอเป็นคิวยาวไปหลายปีดังนั้นการกลับมาเกิดคราวหน้ามาเป็นมนุษย์อีกก็ จ, จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้และโอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาอันใหม่ของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นี้ก็จะต้องรอไปอีกระยะเวลาอันยาวนานเป็นแสนกับปี กว่าจะได้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาปรากฏมาตัดสรุ้มาประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนให้แก่สัตว์โลกเพื่อที่สัตว์โลกจะได้ใช้เป็นเครื่องนำทางพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ดังนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงนี้และได้มาพบกับพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า นี้เป็นถือว่าเป็นโอกาสทองที่นานจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบว่ายากง่ายอย่างไรก็ให้คิดว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพันครั้งนี้ยังง่ายกว่าการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานั่นแหละก็คือความยากของการที่เราจะได้โอกาสทองอันนี้ ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีรู้วิธีของการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ mm hmm. หรือถ้าเรามาเกิดมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาพบกับพระพุทธศาสนาเช่นมาเกิดเป็นสุนัขแล้วก็มาอาศัยอยู่วัดอย่างนี้ สุนัขที่มาอายอยู่วัดก็ไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เพราะว่าไม่เข้าใจคาสั่งคําสอนที่เป็นภาษาของมนุษย์นั่นเองถึงแม้จะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ก็จะไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เลย นอกจากความเมตตาของศาสนาที่สอนให้ผู้ที่อยู่วัดนี้ไม่มีการเบียดเบียนกันให้มีอภัยทานไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งหลายที่มาอยู่ภายในวัดก็ได้ความปลอดภัยจากการที่ได้มาอยู่ในวัดท่านั้นเองแต่การปลอดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้ ก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ได้มาพบกับพระพ ục ุทธศาสนานี้จึงถือว่าเป็นโชคมหาศาลมากยิ่งกว่าการถูกข้อตลีรางวัลที่หนึ่งถึงพันครั้งด้วยกันเพราะเงินที่เราได้รับจากการถูกพัตตลีหนึ่งพันครั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอามา กำจัดความทุกข์ต่างๆของใจของเราได้เลยความทุกข์นี้ไม่ได้ดับไปเพราะความร่ำรวยมีเงินมากน้อยเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปตามตามปริมาณของเงินทองที่มีอยู่ยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะยิ่งมีความห่วงมากมีความหวงมากและเวลาที่จะต้อง จากกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก็จะทุกข์มากกว่าผู้ที่ไม่มีผู้ที่มีทรัพย์สมบัติน้อยเช่นขอทานกับมหาเศรษฐินี่ใครจะทุกข์มากกว่ากันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองขอทานไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะต้องมาทุกข์ด้วยเลยแต่มหาเศรษฐีนี่ต้องทุกข์กับเงินทองของตนที่มีอยู่ เวลาตายก็จะทุกข์มากกว่ากันเวลาตายขอทานก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียดายไม่มีอะไรต้องหวงต้องหวงแต่มหาเศรษฐีนี่เวลาตายไปนี่ก็ต้องหวงต้องหวงต้องมีความเสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆดังนั้นการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ของจิตใจได้ และนอกจากไม่กำจัดแล้วยังเป็นตัวที่มาเพิ่มความทุกข์ให้แก่จิตใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกดังนั้นเราอย่าไปหลงคิดว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากๆทางที่เราย่อรวยนี้จะทำให้เรานี้มีความทุกข์น้อยลงนี้มันอาจจะทำให้ความทุกข์ทางร่างกายน้อยลงได้ ถ้าเงินทองนี้เราสามารถเอามาใช้บาบัดความทุกข์ของร่างกายได้เช่นร่างกายต้องการปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนึ่งผมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าเรามีเงินทองเราก็สามารถที่จะหาปัจจัยสี่มากําจัดความทุกข์ทางร่างกายได้แต่ เงินทองนี้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ทางใจได้เลยดังนั้นอย่าไปหลงคิดว่าการที่เรามีเงินมากๆ ม, มียศมีตำแหน่งสูงๆมีคนสรรเสริญยกย่องเยินยอ ม, มีคนคอยให้ลางวันเรามีความสุขจากการเสพรูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิด ต, ต่างๆนี้ จะทำให้เรามีความสุขมากจะทำให้ความทุกข์ใจของเรานั้นหมดไปอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแล้วนอกจากการที่ไม่ได้ทำให้ความทุกข์ใจของเรานี้นหมดไปแล้วยังเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นอีกเป็นเหตุที่จะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมากเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะอำนาจของความอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขนี้ที่จะเป็นเหตุที่จะคอยดึงให้ใจของเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นเราจรึงไม่ควรที่จะเสียเวลาให้กับการไปหาความสุขและเพื่อมาดับความทุกข์ทางใจจากโลกธรรมทั้งสี่ หนูจากราบยศสจรเสริญสูงเพราะมันดับไม่ได้มันไม่ได้ดับความทุกข์ทางใจอาจจะช่วยดับความทุกข์ทางร่างกายได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเงินทองไว้รักษาพยาบาลเวลาไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยก็สามารถหาที่เช่าบ้านหรือซื้อบ้านมาอยู่ได้บาบัดความทุกข์ทางร่างกายได้ ด้วยเงินทองด้วยโล ก, กธรรมส่วนความสุขที่เราได้จากการไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้เพียงแต่ทำให้ความทุกข์ทางใจหายไปชั่วคราวเวลาที่เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันเราก็จะมีความสุขกันเพลิดเทินกันอย่างเช่นช่วงเทศกาลหยุดสี่วันนี้ บางท่านก็อาจจะไปเที่ยวกันเวลาไปเที่ยวก็ได้รับความสุขจากการไปเที่ยวความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็อาจจะถูกถูกลบหรือถูกบดบังไว้ชั่วคราวพอหลังจากการกลับมาจากไปเที่ยวแล้วต้องกลับมาทางานทาการกลับมาเจอกับปัญหาต่างๆอีกความทุกข์ใจที่ คิดว่าเราได้กำจัดไปแล้วนั้นมันก็จะกลับมาอีกมาสร้างความทุกข์ความวิตกสร้างความกังวลให้กับจิตใจโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้มันไม่มีวันหมดสิ้นไปได้ด้วยการใช้โลกธรรมทั้งสี่ด้วยการใช้ลาบยศสรรเสริญใช้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายของร่างกายได้เลย<ม>สิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงและได้อย่างถาวนต้องเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น<ม>ถ้าเรา ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะกำลกจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดไปได้ตามลำดับจากลำดับต้นๆไปสู่ลำดับสุดท้ายความทุกข์ของเราต่างใจนี้มีอยู่หลายระดับเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันเราจึงต้องมีวิธีการดับความทุกข์ ทางใจของเราหลายวิธีด้วยกันวิธีที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบก็มีอยู่สามสามขั้นตอนหรือสามวิธีด้วยกันในการที่เราจะเอาธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันก<ม>ารปฏิบัตินี้จะช่วยกําจัดความทุกข์ทางใจต่างๆให้ลดน้อยถอยลงไปตามลําดับ<ม>จนหมดสิ้นไปจากใจได้ อย่างแท้จริงไม่ใช่การไปใช้โลกธรรมมาดับความทุกข์ทางใจโลกธรรมและคือลาบยศจลาเสริญสุขนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มความทุกข์ทางใจให้มีมากขึ้นไปเพราะโลกธรรมนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีการเจริญและเสื่อมได้เวลาเจริญลาบยศจลาเสริญสุขเราก็มีความสุขกัน แต่พอเวลาที่มีการเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขเราก็จะพบกับความทุกข์พบกับความเศร้าโศกเสียใจกันดังนั้นอย่าไปหาสราบยศสารเสริญสุขมาดับความทุกข์ทางใจเลยจะเสียเวลาไปเปล่าๆต้องมาใช้วิธีที่พระเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ทรงสอนให้เรามากําจัดกัน การกำจัดความทุกข์ทางใจนี้ต้องกำจัดด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนา<ม>สามขั้นด้วยกัน<ม>คือเป็นการปฏิบัติจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากตามลาดับ<ม>เพราะถ้าเราจะเริ่มที่ขั้นที่ยากเลยนี้มันจะทำทำได้ยากและอาจจะทำไม่ได้<ม>เราต้องสร้างกำลังในการที่จะมีกำลังไว้ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้จากระดับที่เราทําได้ง่ายก่อนเหมือนกับการไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ<ม>เราก็ต้องเริ่มต้นจากชั้นที่ง่ายก่อนเราค่อยๆไต่เต้าลำดับความยากของการเรียนขึ้นไปตามลำดับ<ม>จากอนุบาลเราก็ไปสู่ชั้นประถมจากชั้นประถมเราก็ไปสู่ชั้นมัธย ม, ม อย่างชั้นมันธยมเราก็จะได้ไปสู่ชั้นปริญญาต่างๆได้ถ้าเราเริ่มต้นเข้าโรงเข้าเข้าโรงเรียนก็ไปขอสมัครเรียนในระดับปริญญาอะไรนี้เขาก็คงจะรับเราไม่ได้เขาก็จะต้องมีการให้เราทดสอบควบคุมความรู้ของเราให้สอบเอนทรานซกันก่อนถ้าสอบไม่ผ่านเขาก็รับเราเข้าไปไม่ได้ดังนั้น เราต้องทำตามกำลังของเราบางท่านอาจจะทำขั้นที่ยากได้เลยก็ได้อันนี้ก็มีเป็นไปได้เพราะว่าในชาติก่อนๆ น, นี้อาจจะเคยได้บาเพ็ญมาในขั้นที่ง่ายมาก่อนแล้วแล้วสามารถไต่เต้าขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากได้ถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติได้เลย เช่นถ้าเราสามารถภาวนาได้เลยบําเพ็ญจิตตภาวนาได้โดยที่ไม่ต้องไปทำบุญทําทานไม่ต้องรักษาศีลเพราะคนที่จะปฏิบัติจิตตภาวนาได้นี้จะมีศีลในตัวอยู่แล้วจะมีศีลแปดในตัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปบปําเพ็ญจิตตภาวนาได้เลย แต่สำหรับคนที่ยังไม่สามารถรักษาศีลแปดได้หรือรักษาศีห้าได้การที่จะไปปฏิบัติเลยนี้ก็จะเป็นไปได้ยากเพราะหนึ่งจะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัตินั่นเองเพราะถ้ายังมีความถ้ายังไม่สามารถรักษาศีลแปดที่จะคอยห้ามจิตใจไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงดลดกลิ่นรสกฎสะ้าได้ก็จะไม่มีเวลา ที่จะเอาเวลามาบำเพ็ญจิตภาวนามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบให้มีความสุขจากความสงบได้ดังนั้นเราก็ต้องดูกําลังของเราว่าเราทําได้ในขั้นไหนแล้วเราก็ทําในขั้นนั้นไปแล้วดูขั้นที่ยากกว่าว่าเราทําได้หรือไม่เช่น จากขั้นทานเราไปรักษาศีลได้หรือไม่เราสามารถรักษาศีลห้าในเบื้องต้นก่อนได้ปะรักษาศีลห้าได้ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาไม่ไม่ทำบาปไม่เสกอบายามุกเช่นการดื่มสุรายาเมาหรือเล่นการพนันหรือเที่ยวเตะอันนี้เป็นเป็นส่วนของศีลที่เราทำได้หรื อ, อยัง ถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามทำให้ได้ก่อนไม่ดื่มสรายามเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเตยไม่เกียดค้าน<ม>เพราะคุณสมบัติเหล่านี้มันเป็นตัวที่จะมาคอยต้านการปฏิบัติในการกำจัดความทุกข์ของเรานั่นเอง<ม>เราต้องต้องห้ามมันให้ได้ ห้ามเสพอบายามุขและห้ามก็ะทำบาปให้ได้ก่อนบาปก็มีอยู่สี<ม>่ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพ<ม>ไม่ประพฤติผิดประเพณีมไม่พูดปด<ม>อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทดสอบดูถามตัวเราเองดูเองว่าเราทำได้หรือไม่มทำได้แล้วเราขยับขึ้นไปสูงกว่านี้ได้หรือไม่เช่นลักษา จากสินห้าเราก็ขึ้นไปที่สินแปได้หรือไม่สินแปก็คือเราจะละเว้นจากการเสพความสุขทางตาหูจมูกม้นกายนั่นเองไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนก็จะถือสินบ ร, รมจันละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนสินข้อสามของสินห้าก็จะเป็น อรหมมจริยาเวรมณีเป็นศีลเป็นศีลของศีลแปก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครให้ถือศีลปรมาจารย์แล้วก็จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆตามความอยากตามความต้องการถ้าถือศีลห้านี้สามารถรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มต่างๆได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดดื่มได้ตั้งแต่ดืนได้รับประทานได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ถ้ามาถือศีลแปดนี้ก็จะต้องหยุดการรับประทานอาหารตามความอยาก อ, อนุญาตให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายได้เ่นรับประทานวันละมื้อสองมื้อก็พอ และไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันนี้ก็จะต้องยุติเรื่องของการรับประทานอาหารหรือดืมเครื่องดื่มต่างๆไปนอกจากน้ําที่จําเป็นที่จะต้องดื่มต่อไปทั้งวันเพราะร่างกายนี้ต้องมีน้ําคอยหล่อเลี้ยงเหมือนกับอากาศลมหายใจที่จะต้องมีอยู่แต่การดื่ม น้ำหรือการดื่มเครื่องดื่มนี่ก็เป็นเพื่อการยังชีพมากกว่าเพื่อเป็นการเสริมความอยากต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นศีลข้อหกการไม่รับประทานอาหารมากนี้มันจะช่วยกำจัดความง่วงเหงาเหาหนอนด้วยความเกียจคร้านที่จะปฏิบัติธรรมที่จะบาเพ็ญจิตตภาวนานั่นเอง ถ้าเรารับประทานอาหารมากเวลานั่งสมาธิเราจะสับประงกระนั่งหลับโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเรานั่งหลับกันบางท่านที่ว่านั่งกําลังเข้าสมาธิอยู่แต่ความจริงนี้ไม่ได้เข้าสมาธิแต่เข้าผวังหลับเพราะไม่มีสติรู้เลยว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่มารู้สึกตัวก็เตื่นอีกทีแล้วบอกแล้วดูนาฬิกาเขาคิดว่าโอยวันนี้นั่งสมาธิได้ต้องหลายนาทีความจริงไม่ได้นั่งสมาธิ เป็นการนั่งหลับถ้าเป็นการนั่งสมาธินี้จะรู้สึกตัวตลอดเวลารู้สึกตั้งแต่จิตที่ยังไม่สงบจนกลายเป็นจิตที่สงบนิ่งอันนี้ถึงจะเรียกว่าการเข้าสมาธิต้องเข้าด้วยการมีสติคอยควบคุมจิตใจให้หยุดคิดความคิดปุุงแต่งาตา่างๆเช่นให้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป หรือให้อยู่กับการเข้าดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกไปลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมไลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ละเอียดให้รู้ทุกลักษณะของลมที่เข้าออกในขณะที่เรานั่งเฝ้าดูสมาธิอยู่ถ้านั่งแบบไม่รู้เลยว่าลมเป็นยังไงลมอยู่ที่ไหนลมเข้าลมออกยังไง ใจไม่ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนบางทีไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิเพราะขาดสติแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความหลงขึ้นมาก็ได้ที่ว่าได้นั่งสมาธิมากได้เห็นนูน่นเห็นนี่แล้วก็ไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทาให้คนเสียสติได้ คนที่นั่งสมาธิโดยไม่รู้จักหลักการวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้อง mm hmm. ก็จะต้อง mm hmm. ก็ ก, ก จ, จะหลงกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้เพราะเวลานั่งแล้วไม่มีสติจิตนี้สามารถที่จะผลิตบุงแต่งอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกใจได้ถ้ารู้ถ้าศึกษาแล้วจะรู้ว่าเป้าหมายของการนั่งสมาธินี้เพื่อทำใจให้นิ่งทำใจให้ว่าง ไม่ให้มีอะไรปรากฏขึ้นมาเลยการมีอะไรปรากฏขึ้นมานี้แสดงว่าใจยังไม่นิ่งใจยังไม่ว่างแล้วก็อย่าไปหลงคิดว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมขั้นนั้นหรือเป็นธรรมขั้นนี้เป็นนรกหรือเป็นสวรรค์มันไม่ใช่ทั้งนั้นมันเป็นเพียงแต่อาการกรุงแตงของจิตผลิตขึ้นมาเท่านั้นเองเป็นการบอกว่าตอนนี้เราเพลอสติแล้วเราไม่ได้อยู่กับพุทธโธแล้ว เราไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะเราต้องรีบกลับมาหาพุโทโธใหม่ทำพุโทโธใหม่เริ่มมาดูลมหายใจใหม่อย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในขณะที่นั่งสมาธิเพราะมันไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์กัต่อจิตใจแต่อย่างใดสิ่งที่ยังมีคุณค่าประโยชน์ก็คือความนิ่งของความคิดปรุงแต่ง จิตหยุดคิดปุงแต่งแล้วจิตก็หยุดมีอารมณ์กับสิ่งต่างๆจิตจะรู้สึกเฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วจิตก็จะมีความสุขมากๆจากการที่จิตนิ่งสงบนี้อันนี้แหละคือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้จิตมีความสุขเพื่อที่จะได้อาศัยความสุขของสมาธินี้มาทดแทนความสุขที่เคยได้จาก รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆนั่นเองเพราะความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนี้เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปเวลาหมดไปก็ปล่อยให้ใจรู้สึกเศร้าปล่อยให้ใจรู้สึกเหนารู้สึกว่าเวทํทำให้รู้สึกไม่มีความสุขก็ต้องไปคอยเสพอยู่เรื่อยๆเสพเท่าไหร่มันก็จะได้ผลแบบเดียวกันได้ความสุขเหนียวเดียว แล้วหลังจากนั้นก็จะได้ความรู้สึกว่าเว่เศร้าส้อยงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวไปเรื่อยๆจนถึงขั้นจนถึงเวลาที่ไม่สามารถที่จะไปเสพได้เช่นเวลาที่ร่างกายแก่ลงไปเริเ่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเงินทองที่จะไปใช้กับการที่จะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเวลานั้นจิตก็จะอยู่แบบซึมเศร้า และอาจจะมีความคิดไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็ได้เพราะไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ตามที่เคยได้หาได้มาก่อนเพราะเครื่องมือคือร่างกายเริ่มอ่อนลงกำลังอ่อนลงหรืออาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียน หรือกำลังทรัพย์เงินทองที่เคยมีอยู่ก็ร่อยหลอลงไม่พอที่จะไปซื้อความสุขต่างๆมาได้ช่วงนั้นก็จะไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขได้อย่างไรก็จะเบื่อหน่ายกับชีวิตบางท่านก็คิดถึงกับการฆ่าตัวตายไปแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาความทุกข์ใจแต่อย่างใดเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ปัญหาอยู่ที่ใจตัวที่สร้างปัญหาให้กับใจก็คือความอยากหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนีเ่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ใจก็จะเกิดความรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าเวยไม่มีความสุขนั่นเองอย่างนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเราต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาก็คือความอยาก จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญชนิดต่างๆไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายร่างกายไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหาไปทําลายร่างกายก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาเพราะว่าต้นเหตุของปัญหา ก, ก็คือความอยากคือกามาทันหาความอยากจะหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญต่างๆนั่นเองเราต้องแก้ด้วยการหยุดความอยาก การหยุดความอยากก็คือการมาฝึกสมาธินี่การเรามาฝึกสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดถ้าจะหยุดความคิดได้ความอยากมันก็ทำงานไม่ได้ความอยากมันต้องอาศัยความคิดเป็นตัวเป็นเครื่องมือเช่นต้องคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงสถานที่นั้นสถานที่นี้แล้วก็ถึงจะเกิดความอยากขึ้นมา อยากจะไปพบกับคนนั้นอยากจะไปไปสถานที่นั้นที่นี้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราแล้วพอเกิดความอยากแล้วพอไม่ได้ไปไม่ได้ทํามันก็จะเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังขึ้นมาเกิดความเศร้าเกิดความหัวห้อยเหงาขึ้นมาอันนี้เราสามารถแก้ได้แบบชั่วคราวก่อนการแก้ปัญหาคือการหยุดความอยากแบบชั่วคราวก่อนก็คือการ ใช้สติใช้คอยใช้สติคอยยับยั้งความคิดวิธีที่จะสร้างสติเพื่อมายับยั้งความคิดก็ต้องอาศัยอุบายของของกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะมาคอยต้านความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจของเราถ้าเราไม่มีกรรมฐานเราไม่เจริญกรรมฐานคือ คืเจริญสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งกรรมฐานนี้คืออารมณ์ที่เราจะใช้เป็นเครื่องยึดยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้จิตใจไหลไปตามกระแสะความคิดต่างๆกรรมฐานนี้ก็มีอยู่ม า, มากมายถึงสี่สชนิดด้วยกันแต่สําหรับผู้ที่ปฏิบัติเบื้องต้นนี้ก็มีมวิมีอยู่สองสามวิธีด้วยกันถ้าเรายังไม่ได้นั่งเฉยๆเรายังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ เรายังมีการทำอะไรอยู่ก็ให้ใช้พุทธานุสติก็ได้พุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ระลึกคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็พุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธออกมาใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจของเราจะคิดสองเรื่องพร้อมๆกันในขณะเดียวกันไม่ได้ ถ้าเรามีพุโทโธอยู่ใจก็จะคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ใจก็จะต้องอยู่กับพุโทโธไปเมื่อไม่คิดมันก็จะไม่มีความอยากขึ้นมาเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะรู้สึกเบาเย็นสบายไม่รู้สึกหนักอกหนักใจความหนักอกหนั ก, น ก, นกใจความไม่สบายใจความเหงาความเศร้าความว้าเหวมันเกิดจากความอยากทั้งนั้น พอเราคุมมันคุมความคิดได้ความอยากมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่เราต้องขยันเพราะถ้าเราหยุดพุทโธเมื่อไหร่ปั๊บมันก็จะเริ่มกลับไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความอยากที่จะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้<ม>พอไปไม่ได้ก็จะเกิดความรู้สึกอหดเหยีดใจลำคาญใจขึ้นมาม นี่คืออุบายของการที่เราจะหยุดความคิดของเราหยุดความอยากของเราในเบื้องตน้นหยุดแบบชั่วคราวด้วยการใช้อุบายของสติโดยมีกรรมฐานอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ตั้งของใจพุทธานุสติ<ม>ก็คือใช้พุทโธเป็นที่ตั้งสติเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นถ้ามีพุทโธมาเกาะไว้กับพุทโธ ใจก็จะไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดใจเราก็เป็นเหมือนกระแสน้ำเนี่ยน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากในในแม่ น, น้ำลำธารนนถ้าเราตกลงไปในน้ำถ้าเราไม่มีที่ยึดเกาะไว้นี้กระแสน้ำก็จะดึงพัดมันก็จะฉุดร่างกายให้เราไหลไปตามกระแสน้ำแต่ถ้าเราไปเจอสิ่งไม้ไปเจอต้นไม้หรือไปตัวเสาต้นเสาถ้าเราไปสามารถ อกอดต้นเสาหรือกอดต้นไม้ไว้ได้กระแสน้ําก็จะไม่สามารถพัดร่างกายของเราไปได้าย ใ, ใจของเราก็มีกระแสน้ําคือกระแสของความคิดนี่ใจเหล่านี้จะคิดอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับนี้แทบจะไม่ได้หยุดคิดเลยไหลไปคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดไปคิดมาอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราต้องการให้ใจใจเราไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดเราก็ต้องมีหาอะไรมาเกาะสิ่งที่เราใช้เกาะใจเราก็เรียกว่ากรรมฐานอารมณ์เป็นที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจเช่นพุทธานุสติถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวยังมีการกระทำอะไรอยู่เราก็ใช้พุทธานุสติทำอะไรไปก็พุทโธทไปเวลาเข้าห้องน้าอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันเราก็พุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธไป <ๆ S 1> ถ้าไม่ถ้าว่างไม่มีอะไรทำก็นั่งหลับตานั่งแล้วก็นั่งสมาธิจะใช้พุโทโธต่อไปก็ได้หรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมาใช้อนาปานสติก็ได้ใช้การดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้ถ้าเราถ้าเราเหนื่อยเราอยากจะหยุดําบริกรรมเราก็มาใช้ อานาปณะสติดูลมหายใจเข้าออกการดูลมหายใจเข้าออกนี้เหมาะกับก็ช่วงที่เรานั่งเฉยๆช่วงที่เราไม่เคลื่อนไหวถ้าเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆการดูลมนี้จะดูยากไม่ไม่เหมาะควรจะใช้พุทธโธหรือใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรก็ใช้ร่างกายนี้เป็นกรรมฐานได้ เรียกว่ากายกัตตาสติให้มีร่างกายเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจเป็นที่ตั้งของสติร่างกายทําอะไรเราก็เฝ้าดูไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเราก็อยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันไปโดยที่ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ถ้าเราคอยจดจ่อทฝ้าดูการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวใจก็จะไม่สามารถที่จะไหลไปตามกระแสของความคิดได้ เมื่อไม่ไหลไปเดี๋ยวใจก็นื่งสงบเบาสบายเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายคนที่ไม่ได้ฝึกสติมาก่อนแล้วคิดว่าจะมานั่งสมาธิปั๊บแล้วจะได้ผลนี้เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าเมื่อมานั่งไม่เคยหยุดความคิดพอเวลามานั่งความคิดมันก็ยังคิดอยู่เรื่อยๆให้อยู่กับพุโทโธก็อยู่ไม่ได้ให้อยู่กับลมหายใจก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีกําลัง สติไม่มีกำลังเพราะไม่ได้ฝึกซ้อมมาก่อนอดังนั้นการที่เราจะนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้ใจเราสบายได้นี้เราจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกสติในเบื้องต้นก่อนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายสำคัญยิ่งกว่าสมาธิสำคัญยิ่งกว่าปัญญา เพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถทำสมาธิได้ไม่สามารถคิดไปในทางปัญญาได้ลอ<ม>งเปรียบเทียบสติเป็นเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ทั้งหมดในป่ารอยเท้าช้างนี้จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมดอันนี้คือความสาคัญความยิ่งใหญ่ของสติถ้าไม่มีสติแล้ว การจะนั่งสมาธิให้จิตสงบขึ้นมาให้จิตรวมเป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธินี้เป็นไปไม่ได้จิตจะนั่งแล้วก็ฟุง้งคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าจะไปทางปัญญาก็จะไม่สามารถสอนให้ใจคิดไปในทางปัญญาได้อาจจะคิดได้เป็นชั่วแวบๆเท่านั้นเองอาจจะให้คิดเป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมานี้จะทำไปได้ยากมาก ดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาวิปัสสนานี้ขอให้เรามาฝึกสติกันให้มั่งมากก่อนฝึกสติให้เราสามารถควบคุมใจของเราให้อยู่นิ่งให้ได้ก่อน <S 2> <S 2> ถ้าเราควบคุมใจให้อยู่นิ่งได้ต่อไปเราก็สามารถควบคุมใจให้ไปคิดเรื่องทางปัญญาได้เพราะเรื่องของทางปัญญานี้กิเลสมันจะต่อต้านกิเลสมันจะไม่ชอบให้เราไปคิดกัน เช่นอะไรคิดถึงความไม่เที่ยงของร่างกายนี้กิเลสไม่ชอบคิดคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายคิดถึงการทัดทาจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักอันนี้เป็นสิ่งที่กิเลสไม่ต้องการให้เราคิดกันถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถที่จะดึงใจให้มาคิดถึ ง, รงเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างอย่างต่อเ น, นื่องจะถูกกิเลสดึงไปให้ไปคิดเรื่องอื่นทันทีทุกครั้งที่เราคิด เรื่องราวเหล่านี้กิเลจะสร้างอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา ท, าทันทีจะทําให้เรารู้สึกเศร้าจะทําให้เรารู้สึกกลัวขึ้นมาถ้าเราไม่ได้มาศึกษามาคิดถึงเรื่องความเป็นจริงของร่างกายเราก็จะไม่เราก็จะไม่ได้เรียนรู้และเราจะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา แต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้มาครอบครองร่างกายชั่วคราวอาศัยใจเป็นเครื่องมือตอบสนองอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองความอยากของใจใจมีความอยากหาความสุขจากโลกประธรรมทั้งสี่จากลาบยศสนเสริญจากความจากรูปเสียงกลิ่นรสผละเพยะจึงจำเป็นต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายก็รักก็หวง ไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปก็เลยไม่อยากที่จะไปคิดถึงความจริงของร่างกายอร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายจะต้องมีความแก่ตามมาจะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาจะต้องมีความตายตามามาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสิ่งที่ผลิตมาจากดินน้ำนมไฟ ร่างกายนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามไม่น่าดูน่าดูได้เฉพาะภายนอกถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็จะเห็นอาการต่างๆที่ไม่ได้ดูเช่นเห็นกระดูกเห็นเนื้อเอ็นเห็นลำไส้เห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นสมองแล้วก็เห็นน้ําชนิดต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นความจริงของร่างกายที่กิเลสลัญหา แต่ไม่ชอบให้เรามองกันไม่ชอบให้เราคิดกันถ้าไม่มีสติเราจะฝืนกำลังของกิลเละตัญหาก็ <c oughs> ดึงใจให้มาคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เมื่อเราไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไม่เห็นความจริงของร่างกายเราก็จะไปหลงไปหลงกับความไม่จริงของร่างกายเราก็จะไปหลงที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราเป็นร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะเกิดความตกใจเกิดความกลัวขึ้นมาทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลยร่างกายแก่เราก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายร่างกายเจ็บเราก็ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายร่างกายตายเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นใจผู้มารับรู้เรื่องของร่างกายเท่านั <upstairs> ้นเองแต่เราไม่ยอมรับร <Tool> ู <cannabis> ้เ <wrinkles> รื่องความจริงของร่างกายเลยทาให้เราหลงคิดว่าร่างกายของเรานี้จะอยู่ไปอย่างนี้ไปเรื่อย จะอยู่แบบไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะอยู่แบบไม่ไม่แก่จะอยู่แบบไม่ตายซึ่งพอเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ที่มันท้าทายต่อความความหลงอันนี้มันก็จะทําให้เราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ไม่เคยออกไปนอกวังไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็หลงลรองอยู่กับความสุขที่มีอยู่ในพระราชวังแต่ราชวังนี้พระเจ้า สุดโต๊ะธนภา ร, ราชบิดานี้สั่งห้ามไม่ให้เอาไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวงังให้ไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรแต่วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาก็เลยหนีออกไปเที่ยวนอกนอกนอก ร, ราชวางังก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย แล้วก็ไปรู้ว่าต่อไปพราองค์เองก็ต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายพอเนความจริงวันนี้เป็นครั้งแรกนี้ทําให้ใจนี้สะเทือนเลยทําให้ใจนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์มากเพราะไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นคนแก่จะต้องเป็นคนเจ็บแล้วจะต้องเป็นคนตายไปในวันนึ่ข้างหน้านี้อย่างแน่นอน อ, อันนี้แหละเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้เจ้าชายสิทัศถะนี้เด่นจากความหลงขึ้นมา แล้วก็เตือนจากความแล้วก็ปลุกให้เตือนให้มีสติให้ให้เตรียมรับกับความจริงอันนี้และการที่จะสามารถรับกับความจริงอันนี้ได้ก็ต้องมีสติที่จะคอยกากับใจให้ศึกษาความจริงของร่างกายอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้เลยแล้วก็ใช้สตินีห้หยุดความอยากที่เกี่ยวกับร่างกาย ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายนี่เองที่เป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์<ม>กันเพราะเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราซึ่งความจริงมันไม่ใช่เป็นตัวเรา ม, มันเป็นอีกคนหนึ่งมันเป็นเหมือนคนรับใช้เราใจเป็นนายกายเป็นบ่าว<ม>ใจคือเราเราผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำไลยนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นคนที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนมนุษย์ล่างหนเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้เมื่อเรามาเห็นความจริงของร่างกายเราก็ต้องเริ่มเริ่มศึกษากันค้นหาความจริงกันว่าทําไมเราถึงเกิดความทุกข์ใจกับความแก่ความเจ็บความตายก็เพราะว่าเรายังต้องใช้เรายังอยากใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับเรา น, นั่นเองเราจะมีความสุขได้เราต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพาเราไปเที่ยวได้พาเราไปทําอะไรต่างๆได้พอเวลาร่างกายเราทําไม่ได้เพราะความแก่ก็ดีเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเพราะความตายก็ดีเราก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาไม่อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้น แต่เราไม่ได้ศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเราห้ามมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้ร่างกายเราอาจจะบังคับให้เดินให้ยืนให้ทําอะไรในบางอย่างได้แต่เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี้เราห้ามมันไม่ได้เราต้องศึกษาต้องคอยเตือนตัวเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็สอนให้เรา อย่าไปพึ่งร่างกายในในการหาความสุขให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็ให้มาหาความสุขทางใจโดยตรงด้วยการทําใจให้สงบนี่ให้มาฝึกสติค <c oughs> อยควบคุมความคิดให้หยุดคิดให้ได้เพราะเมื่อใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบจะเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรที่จะมาเหนือกว่ า, ว า, วาได้นัตติสันติปรังสุขขงังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าเราสามารถเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้เราก็สามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้ คนที่ได้ความสุขจากการฝึกสมาธิแล้วจะเปลี่ยนเป็นคนอีกคนหนึ่งเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนชอบออกสังคมชอบออกไปเที่ยวไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอมาฝึกสมาธิพอใจสงบได้พบกับความสุขอันนี้แล้วก็จะรู้ว่ า, าไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสงบเพราะความสงบนี้เป็นความเป็นสิ่งที่แน่นอนกว่า เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับได้สามารถทําให้มันอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆพรอเรารู้วิธีสร้างมันขึ้นมารู้วิธีทําใจให้สงบเวลาใจไม่สงบเราก็ใช้สติทําให้มันสงบขึ้นมาเราก็จะมีทางสุขได้เกือบตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราเผลอเวลาที่เราขาดสติเวลานั้นกิเลส ต, ตัณหาที่ยังไม่ได้ตายจาก จากกำลังของสติก็อาจจะโผล่ขึ้นมาได้อาจจะมาโผล่และสร้างความอยากให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่พอเราได้สติว่าตอนนี้ใจเราเริ่มทุกข์แล้วนะใจเราเริ่มคิดปรุงแต่งกับการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ใช้สติหยุดมันใช้พุทธโธพุทธโธบริกรรมไปเดี๋ยวเดีย ว, ยวความอยากมันก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไป เราก็จะสามารถควบคุมความความทุกข์ได้เป็นระยะระยะไปแต่ยังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้อย่างทาวรเพราะว่าสตินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาเราเห็นไปทับหญ้าก้อนหินใหญ่ๆไปทับหญ้าไว้หญ้าก็จะงอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่เวลาเรายกหินออกจากหญ้าไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่งพอได้น้ําได้ อากาศได้แดดหญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่เพราะว่ารากของหญ้าไม่ได้ถูกถอดถอนออกไปจากจากในดินนั่นเองหญ้ยายังไม่ตายฉันใดกิลเลกก็ไม่ได้ตายด้วยกําลังของสติด้วยกําลังของสมาธิเพียงแต่ถูกกดทับเอาไว้ให้หยุดทํางานไว้ชั่วคราวพอเวลาใดที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิเวลานั้นกิลเลสตัณหาความความอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่อีก แล้วก็จะสร้างความกลั ว, วให้เกิดขึ้นกลัวความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะไม่อยากให้ร่างกายแก่เจ็บตายอยากให้ร่างกายอยุดเป็นยังงานเพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่อไปเดีย๋ยวนี้ถ้าเราอยากที่จะกําจัดความอยากอย่างท้าวรโดยที่มันจะตายอย่างทาวรเหมือนกับถอนรากของต้นหญ้าออกออกจากดินเราต้องถอนรากของ ของต้นญ้าต้นญ้าถึงเนี่ยตายเอาเห็นไปทับไว้มันไม่ตายเอาสติไปหยุดความอยากความอยากไม่ตายการที่จะทําให้ความอยากตายหมดไปจากใจได้ต้องถอนรากของความอยากรากของความอยากก็คือความหลงความไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่นเองเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันมันเป็นความทุกข์ เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเพราะว่ามันเปลี่ยนได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับได้จากดีกลายเป็นของไม่ดีได้จากของใหม่กลายเป็นของเก่าได้อันนี้เราไม่ค่อยคิดกันเไม่ค่อยมองไม่เห็นกันเราคิดว่าได้อะไรมาแล้วมันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสิ้นสุดแต่ความจริงมันได้มาแล้วไม่นานมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็หมดไปความไม่เที่ยงของมัน มั่ทำให้ความสุขที่เราได้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วการที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ห้ามมันได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนกับของธรรมชาติคือเหมือนกับดินดินฟ้าอากาศเนี่ยลมพัดแดดออกฝนตกนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปควบคุมไปสั่งให้ฝนตกหรือแดดออกได้มันมีเหตุมีปัจจัย สิ่งต่างๆที่เราไปแสวงหาความสุขด้วยเช่นราบยศสารเสริญและรูปเสียงปิดลดโทษพระมันก็เป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับไปควบคุมให้มันให้ความสุขกับเราไปเพียงอย่างเดียวได้ตลอดเวลาันเ ว, เวลาผ่านไปมันก็เปลี่ยนได้จากเจริญก็เสื่อมได้เจริญราบก็เสื่อมราบได้เจริญยศก็เสื่อมยศได้ ส, สรเสินก็กลายเป็นนินทาได้ สุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสตายเป็นความทุกข์ก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของหลักกฎของของตายละ ก, กฎของอ น, นิจจังของกาลที่ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะคงเส้นคงวาเหมือนเดิมไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราไปหาสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเรา ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนนี่คือการสอนใจด้วยปัญญาเ็ที่จะกำจัดความหลงความหลงจะไปคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นนี้สิ่งนั้นจะให้ความสุขกับเราสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราใช่มันให้ความสุขแต่นานเท่าไหร่เ่ะมันมันไปสุขไปตลอดหรือเปล่ารูอสุกแบบเดียวเดียวเดียวก็หมดไปไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็เกิดความสุขขึ้นมา ไปแล้กลับมาจากกลับจากเที่ยวมาความสุขที่ได้ไปก็หายไปแล้วแล้วก็กลับมาเจอความทุกข์ที่ยังไม่ได้รับการดูแลเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ยังอยู่กับใจต่อไปอันนี้ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นไตรลักณ์เห็นอนิจจังความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความความความเกิดและดับของทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นอนนี้จังแล้วเราก็จะใจเราก็จะหดความอยากของเราก็จะหดเพราะว่าเรารู้ว่าเราไปเอาสิ่งที่มันจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว mm hmm. เช่นอยากมีแฟนเนี่ยพอได้แฟนมาเราถ้าเรามองถ้าเราคิดล่วงหน้าก่อนว่าแฟนเราเป็นของชั่วคราวเขามาอยู่กับเราวันใดวันหนึ่งเขาก็าอาจจะจากเราไปก็ได้ mm hmm. เวลาเขาจากเราไปมันก็จะทำให้เราเสียใจถ้าเรารู้เรื่องหน้าก่อนว่าแฟนเราเป็นของไม่เที่ยงเราก็สู้อย่ามีแฟนดีกว่าสู้อยู่เฉยเฉยดีกว่าอยู่กับอยู่กับความสงบดีกว่าทำใจให้สงบหยุดความอยากดีกว่าใช้พุทโธพุทโธหยุดความอยากแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปอยากอย่างนี้แล้วความอยากที่มีอยู่มันก็จะหมดไปได้ พอหมดแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปเราเห็นอะไรอยากได้อะไรเราก็จะเห็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทัางนั้นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้มันจะอยู่กับเราเมื่อจะจากเราไปเมื่อไหร่ล้วก็กําหนดไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็อยู่คนเดียวดีกว่าอี่อย่างไม่มีความอยากดีกว่าอันนี้คือการใช้ปัญญาปัญญาก็จะทําให้เราไม่มีความอยากได้อะไรต่อไป พอเราไม่มีความอยากแล้วใจของเราที่หุ่นวายที่รู้สึกมีความขาดขา ด, ขาดนู่นขาดนี่รู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวขึ้นมาก็จะกลายเป็นใจที่อิ่มขึ้นมาทันทีตัวที่ทําให้ใจเรารู้สึกข า, ขาดนู่นขาดนี่ทําให้เรารู้สึก ว, าว้าเหวไม่ไม่มีความสุขนั้นเกิดจากความอยากนี้เท่านั้นถ้าเราใช้ปัญญากําจัดความอยากได้หยุดความอยากได้อย่างทามนใจของเราก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความรู้สึก ขาดนู่นขาดนี้รู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวเพราะใจจะสงบนิ่งแล้วใจที่สงบนิ่งนี้จะมีความอิ่มความพอในตัวของมันเป็นความสุขอย่างยิ่งใจที่ได้กาจัดความอยากให้หมดไปจากใจแล้วนี้เราเรียกว่านิพพานนี่นิพพานังปรมังสุขขงังนิพพานังปรมังสุญญอย่างใจอยู่กับความว่างได้อยู่กับความว่างได้อย่างมีความสุข ไม่กลัวความว่างไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าวเวเวลาอยู่คนเดียวการรู้สึกมีความสุขมากกว่าเวลาที่อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เพราะสิ่งต่างๆมันเป็ น, ปนทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงทุกข์เพราะเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ mm. นี่คือสิ่งที่เราจะใช้ขั้นต่อไปหลังจากที่เราจเจริญสติควบคุมความอยากด้วยด้วยสติได้แล้ว ขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของการไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆว่าจะทำให้ใจทุกข์เพราะสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้เ ป, เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาพอเห็นอย่างนี้แล้วปัญญาก็สามารถกำจัดความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้พอไม่มีความอยากหลงลออยู่ในใจแล้วความทุกข์ในใจก็ไม่มีอีกต่อไป เมื่อความทุกข์ไม่มีใจก็จะอยู่อย่างสงบสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป<ม>งานภารกิจทางด้านศาสนาคือการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจก็สิ้นสุดลงมไม่มีงานไรจะต้องทำอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสวุสิตังบ ร, รมจารยยังกิจในบ ร, รมจารย์ได้สิ้นสุดลงแล้วในขณะที่เราได้ทาลายความอยากต่างๆด้วยปัญญาให้หมดสึ้นไป หลังจากนั้นเราก็จะอยู่กับความสุขไปตลอดเนความสุขที่ถาวรยั่งยืนที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันขึ้นสุดนี่คือความสุขของพระพุทธเจา้าและของพระอนันตสาวกทั้งหลายที่พระองค์ทรงหยิบยื่นมาให้กับพวกเราขอให้พวกเรามีความศรัทธามีความเชื่อในคำสั่งคาสอนและมีความไม่ประมาทในเวลาเกลียรียบเอาเวลามีค่านี้มาใช้กับการปฏิบัติ ทานสิงภาวนานี้อย่าไปเสียเวลากับการไปหาความสุขจากจากรูปสีงกิริยารูปกรรมเลยเพราะมันไม่ได้เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องมาปฏิบัติทานสิงภาวนานี้เท่านั้นดังนั้นอย่าลีอย่าอย่าประมาลรี บ, ร, บรีบทำเสียเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะหมดเมื่อไหร่ เรารู้ว่าปีนี้จะหมดภายในวันพรุ่งนี้แต่เราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะหมดวันพรุ่งนี้หรือไม่หรือปีหน้าหรือปีต่อไปไม่มีใครรู้ได้ดัะนั้นอย่าประมาทในเวลารีบเอาเวลาที่เราสามารถทำอะไรได้ในตอนนี้มาปฏิบัติทำจะดีกว่าเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนีคือเรื่องราวที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลวะหาปุราปาริปุเรทีสาคลังเอวเมวะอิตทินังเปตานาังอุ ป, ปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะรัสรยาธามณนีโชติรัสรยาธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัศสัตุมะเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนัสสิลิสานิจังวุฒาปะจายิโน จัตตารธรรมวัตถันติอายุวันรสุขังภาลัช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะรู้อะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกที่เหมาะเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่ค่อยสะดวกที่จะตอบ ถ้าอยากจะถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ป้ามึงรอป้บึงบกราบน้ำรัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังหน้ากุติทั้งหมดทางเฟซบุ๊ก412ท่าน ทาง YouTube พระอาจารย์314ท่านทาง Dr. V Channel 61ท่านครับเฮาเจ็ท่านวิดยุออนไลน์9ท่านหน้ากุติ257ท่านค่ะรวมทั้งหมดเป็น 1,060 ท่านเจ้าค่ะอ่าเชิญถามได้เดี๋ยวส่งไมโครโฟนไว้ข้างหลังเลยอ่าพูดผ่านใกล้ๆไมโครโฟนนะพูดปากพูดดังๆ เว ล, ล, ล า, าปฏิบัติพระคุณเจ้าเวลาปฏิบัติพระคุณเจ้าจิตใจมันดิ้นลนมันหาหาที่ลงไม่เจอพระคุณเจ้าไม่มีสติไงต้องใช้พุทโธพุทโธยึดไว้ก่อนวิ่งวิ่งเที่ยวหาออแต่คนช่วยอย่าไปให้มันต้องต้องช่วยตัวเองช่วยด้วยสติฝึกสติพุทโธพุทโธไปเนี๋ยมันก็หยุดวิ่งหยุวิ่งแล้วก็ใจก็จะสบายเย็นมีความสงบขึ้นมา พอเวลาให้ใจหยุดหายใจไม่ออกเหมือนกับกำลังจะตายเดี๋วนั้นพระคุณเจ้าเ่อทำไม่ถูกอย่าไปบังคับลมหายใจให้ดูลมหายใจเฉยๆถ้าดูลมมีปัญหาก็ใช้พุโทโธแทนองพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจหรือสวดบทอิดิปิโสไปก็ได้นะถ้าเดี๋ยวมันใจมันจะหยุดจะนิ่งเอง มีคำถามจากผู้รับฝั่งหน้าคุติเจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ทำมาข้อใดที่จะแก้กิเลสความขี้เกียจขี้คร้านให้หมดสิน้นมีแต่ความเพียรเร่งภาวนาได้ครับคือความตายไงให้เราคึกถึงความตายว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราขี้เกียจเราก็จะไม่มีวันที่จะสามารถปฏิบัติทำสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเองได้ ัให้เราคิดว่าเราจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ตายคืนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรายังไม่ตายรีบปฏิบัติเสียก่อนที่เวลามันจะหมดไปแคบนามจากผู้รับฟังธรรมาน้าคุติซะค่ะ แฟนเก่าเลิกกันแล้วตามมาราวีโดยขู่ฆ่าบ้างทำร้ายบ้างตอนนี้เป็นทุกอย่างมากคนทำอย่างไรและควรวางจิตอย่างไรครับพระเจ้าบอกว่าให้คิดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้หมดเวหมดกรรมกันไป มีคำถามฝากถามสคําถามเจ้าค่ะคําถามที่หนึ่งศาสนาพุทธกล่าวถึงความฝันไว้อย่างไรบ้างครับความฝันก็คือความคิดปรุงแต่งของเราเวลาเรานอนหลับเราไม่มีสติที่จะคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งก็เลยถูกบุญหรือบาปที่เราทําเป็นตัวคิดปรุงแต่งให้กับเราถ้าเป็นบุญเราก็จะฝันดีถ้าเป็นบาปเราก็จะฝันร้าย คำถามข้อที่สองนิมิตกับความฝันคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับก็นิมิตนี้มันมีทั้งเป็นความฝันและมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นจากการภาวนาก็เป็นนิมิตเหมือนกันนิมิตก็คือภาพที่ปรากฏในใจของเราซึ่งอาจจะมาจากเป็นความฝันความคิดปรุงแต่งก็ได้หรืออาจจะเกิดจากกายทิพย์ต่างๆเข้ามาพบกับเราก็ได้ถ้าเรามีสมาธิในระดับอุปจารสมาธิ เราก็จะมีนิมิตของดวงวิญญาณต่างๆก็มาคุยกับเรามาปรึกษาเราได้คําถามข้อที่สฝันเห็นพระมาะสอนกรรมฐานแปกหรือไม่ครับไม่แปลกเราฝันได้ทุกอย่างฝันเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ฝันอะไรก็ได้แล้วแต่อยากจะฝันใครรู้ว่ามันเป็นความฝันอย่าไปหลงติดคิดว่าเป็นความจริงก็แล้วกัน ค่ะคำถามข้อที่4เราจะวางิจอย่างไรหากฝันแปลกๆครับก็พิจารณาว่าเป็นตายรักไปเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เราอย่าไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันมันเกิดแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว เจ้าค่ะมีคําถามจากผู้รับฟังธรรมะ น, นักกุติฝักถามสามข้อเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับปฏิคานุใสที่เกิดจากทุกข์ค่ะเกิดจากอะไรนะที่เกิดจากทุกข์เจ้าค่ะ ป, ปฏิค่ะนะปฏิคานุใสเจ้าค่ะอันนี้เราก็ไม่ทํางานทางบาลีนั้นขอตอบไม่ได้นะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้เราฟังหมด ใช่ค่ะคำถามข้อที่สองทวารที่หกตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสตัณหาผุดมาจากต้นตออะไรคะกิเลสเกิดจากความหลงความไม่รู้ความจริงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบวัวเพราะขาดปัญญาใช่ค่ะคำถามข้อที่สามตอนที่ พระพุทธเจ้าถามตัวเองว่ายังมีกิเลสอยู่ในตอนนั้นท่านก็ได้ยานแล้วท่านรู้ได้อย่างไรว่าท่านยังมีกิเลสอยู่ค่ะท่านมีสติทัานก็รู้ไงเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาก็รู้เวลาธรรมะโผล่ขึ้นมาก็รู้ท่านก็มีปัญญาแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมกิเลสก็จะทำให้ใจร้อนธรรมะก็จะทาให้ใจเย็นถมมีคาถามเลยค่ะอ่ ะ, อ ะ, อะ อ่อถาคำถามที่เขาเขียนม า, าคืินไปาาถามเองเลยดีกว่าถึงใจกว่าพ <c oughs> อดีคือ อ, อ, อนุใสอะค่ะไม่รู้คำบาลีพูดไดเปล่าค่ะพอดีดอาค่ะอนุใสที่ ท, ที่ที่นอนอยู่ในความทุกข์อะค่ะ มันคืออะไรคะก็นิสัยเดิมไงนิสัยชอบขี้เกียจนี่ชอบเที่ยวชอบเล่นนี่กันนะเรียกว่าเป็นอนิสัยแต่ว่าอันเป็นนิสัยเดิมที่เกิดจากความทุกข์เนี่ยมันคืออะไรคะก็นิสัยที่สร้างความทุกข์ให้กับเรานิสัยสร้างความทุกข์แต่เราชอบให้มันเกิดใช่ชอบขี้เกียร์ชอบกินชอบนอนชอบเล่นชอบเที่ยวไม่ชอบศึกษาไม่ชอบปฏิบัติ แต่สุดท้ายมันก็เกิดความทุกข์มันก็เลยเรียกว่าอนุสัยตัวนี้ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นธรรมมันก็เรียกว่าบารมีชอบทําบุญทําทานชอบรักษาศรรีลชอบปฏิบัติธรรมเขเรียกว่าบารมีไปถ้าเป็นกิเลส ก, ก็เรียกว่าอนุสัยหรือเป็นวิบากก็ได้บางทีเขาเรียกว่าวิบากกรรมค่ะพวกจริงๆข้อสองข้อสานี้มันน่าจะลิงกันเนาะก็คือไอ้พวกกิเลสนะคะ ตันหานะคะคื อ, อเราสามารถข่ม ส, ส, สังวรตามหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมคะ ต, คต้องมีสติต้องมีสติแต่ใจเนี่ยค่ะใจก็ต้องใช้สติเหมือนกันใช้สติทั้งหมดใจก็คอยคุมความคิดความคิดของใจเป็นกิเลส ก, ก็ได้เป็นธรรมก็ได้ถ้าคิดไปทางกิเลส ก, ก็ใช้สติพุโทโธอยุดมันไปอย่าปล่อยให้มันคิดนนถ้าคิดทางปัญญาก็ปล่อยมันคิดไป แต่บางทีเราไม่ได้คิดอะไรมันผุดขึ้นมาเองอะค่ะใช่เราไม่ได้คิดอะแต่มันคิดไงมันไม่ใช่เราไงความคิดปรุงแต่งไม่ใช่เราเราไปคิดว่าเราเป็นมันมันเป็นเราแต่ความจริงมันไม่ใช่เป็นเราบางครั้งเราบางคั่งเราสั่งมันคิดได้เราก็ได้คิดว่ามันเป็นเราแต่ความจริงบางครั้งเราก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ไอ้พวกที่เราสั่งไม่ได้มันผุดมาจากไหนคะก็มันอยู่ในใจของเราเป็นนามขันเวทนาสัญญาสังขันมันอยู่มานานแล้วใช่ไหมคะชาตินี้มันเลยผุดมามันเป็นมชาติของใจใจมีความ มีความสามารถที่จะคิดตกแต่งมีแต่ว่าคิดไปทางดีและคิดไปในทางไม่ดีนค่นี้คือโยมคิดว่าไอ้ที่เราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันผุดมาเพราะว่าเกิดจากชาติที่แล้วที่เป็นสันดานหรือเปล่าคะกามีส่วนเราเคยคิดอะไรแบบไหนมันก็จะคิดแบบนั้นซ้ำไปเคยชอบอะไรมันก็จะชอบเสียงนั้นมันเกลียดอะไรมันก็จะเกลียดเสียงนั้นไปค่ะเมื่อกีอ้ถามแล้วก็คือโยมแค่สงสัยอค่ะว่า ตอนที่พระพุทธเจ้าท่านหลีกไปไปฝึกเองอะค่ะตอนนั้นอะท่านก็ได้ฌานแล้วค่ะแล้วที่ท่านบอกว่าท่านยังค้นหาตัวเองว่าท่านยังมีกิเลสอยู่ค่ะอตอนนั้นท่านก็ได้ฌานแล้วแสดงว่าท่านเนี่ยระวังทวารหมดแล้วค่ะได้ท่านคุมทวารได้แต่ท่านไม่มีปัญญาไม่สามารถแยกแยะความคิดที่เป็นกิเลสจากความคิดที่เป็นธรรมได้ แต่ว่าท่านคุมแล้วแล้วทำไมท่านถึงออกไปอะคะเพราะว่าท่านรู้ว่าไอ้พวกกิเลสเนี่ยมันจะทําให้ท่านกลับมาเกิดแะะล้ค่ะท่านไม่รู้ตรงนั้นเนี่ยท่านไม่รู้ตรงนั้นท่านคุมจิตให้หยุดได้แต่ท่านไม่รู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีท่านต้องใช้ใช้เวลาวิเคราะห์ตัวนี้สร้างความทุกข์มันไม่ดีตัวนี้ทําให้ใจสงบตัวนี้ดีดังั้นต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์อ๋ อ, อท่านไม่รู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีท่านก็เลยต้องไปฝึกเองอ่าต้องไปฝึกเอง ขออนุญาตขอโอกาสข้อสุดท้ายเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดเองนะคะอาจจะไร้สาระอะไรก็ได้ค่ ะ, ะภาษาไทยคําว่าสังขารนะคะที่เป็นรูปร่างแล้วก็สังขารที่แปลว่าการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันไม่ได้เรื่องมึงเอิญใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดการปรุงแต่งของจิตเนี่ยถ้ามาเปลี่ยนเป็นรูปร่างเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันเลยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยสังขารร่างกายมันเกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟมันก็เป็นสังขาร สังขารความคิดตวงแต่งมันก็เกิดขึ้นจากสัญญาสังขารวิญญาณมัน areas, ทำงานทำงานร่วมกันวิญญาณรับรูปมาสัญญาก็แปลว่าวรูปเป็นอะไรแล้วเกิดเวทนาสุขทุกข์ขึ้นมาเพราะเกิดสุขทุกข์ก็มาสังขารมันก็คิดว่าควรจะทํำไงกับความสุขดีกับความทุกข์ดีมันเป็นการทํางานของเหตุของผลใจที่มันเหมือนกับสิ่งนี้เกิด ana, ขึ้นทำให้สิ่งนี้เกิดตามมาสิ่งนี้เกิดตามมาก็มีทําให้สิ่งนี้เกิดตามมา มันก็วไปปนไปเรื่อยๆเาเรียกแล้วทำไมคนมูรานถึงใช้สังขารที่เป็นคำพูดเดียวกันในภาษาไทยอะคะมันบังเอิญหรือว่าอ๋อไม่หรอกเราเร า, เราภาษาไทยมามาใช้เองมากกว่าเรามาใช้แทนความยิงสังขารเดิมทีมันก็หมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทางถ้าเป็นทางรูปธรรมก็เรียกกระร่างกายหรือข้าวของเงินทองต่างๆอันนี้มันเป็นสังขารอย่างนั้นอะบ้านนี้ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่นงเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งเจือกังมาทําให้มันเกิดขึ้นมา เป็นสังขารอะไรที่มีการผสมกันเนรียกว่าสังขารทั้งวัตถุก็บ้านรถยนต์ร่างกายนี่เป็นสังขารส่วนทางธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันก็เป็นสังขารทุกอย่างรู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดก็ mm hmm. แล้วกันรู้ว่ามันเป็ น, ปนอนิจจังไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาก็ปล่อยมันมันจะไม่เที่ยงมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ปล่อยมันดับไป ถ้าเราไม่มีความอยากไปยุ่งกับมันแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ปล่อยวางในร่างกายมันจะแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันตายถ้าเราปล่อยได้เราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายส่งกระดาษขึ้นมาด้วยเกอันไหนที่ก็ยังไม่ได้อ่านียังกาลังมีอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวกัน ตอบอะไรมีไหมมีคําถามไหมถ้าไม่มีก็ส่งไปข้างหลังมีคําถามจาก y ยูทูบเจ้าค่ะจากคุณเหมียวขอถามปัญหาหน่อยค่ะคือภรรยาทํากับข้าวให้สามีไปวัดแทนผู้ทํากับข้าวจะได้บุญไหมคะก็อยู่ว่าเป็นของของใครเป็นหลักถ้าเป็นของสามีของภรรยาคู่กันก็ได้บุญทั้งคู่ถ้าเป็นของสามี ภรรยาก็ได้ได้ไ ด, ได้ได้ความช่วยเหลือการทำกับข้าวแต่ไม่ได้บุญจากการเสียสละไม่ได้ทานแต่ได้วิริยะหรือได้การรับใช้ผู้เป็นเป็นเป็นสิ่งตอบแทนอาเชิญถามได้นมัตการพระคุณเจ้าเมื่อพิจารณาเจสาโลมานักขาทันตะตะจูเมื่อเห็นเสร็จแล้ว แล้ว เ, เราจะทํายังไงต่อไปพระคุณเจ้าก็ปล่อยวางท่านอย่าไปยุ่งกับมันมันจะงอกก็ปล่อยมันงอกไปมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปอย่าไปทุกข์กับมันพิจารณาให้รู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่งอกไม่ได้สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันมันไม่ใช่เราพิจารณาเห็นว่ามันอาการเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นผมเราไม่ได้เป็นขน บางคนนี้คิดว่าตัวเองเป็นผมใช่ไ้ยใครโกนผมหน่อยโอ้ตกใจเสียดายเป็นจะดกินไม่ได้นอนไม่หลับจะเป็นจะตายเพราะไม่มีผมเลยไปคิดไปไปผูกตัวเองไว้กว้ยกับผมอันยิ่งผมมันมันเป็นเพียงอาการของร่างกายเมื่อเราพิจารณาครบทุกอย่างแล้วเราจะปล่อยวางยังไงเจ้าคะพระ<ม>คุณเจ้าไม่ทุกกับมั น, นี่ยมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปอ้ามันไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยมันเป็นไป ถ้ายังรักษา م م มันได้ดูแลมันได้ก็ดูแลไปถ้ามันดูแลไม่ได้มันมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องปล่อยมันเป็นไปแต่มันจะพิการขึ้นมาเราทําอะไรไม่ได้แต่เราเราจะเราไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน <c oughs> ยอมรับมันอาจจะพิการก็พิการไป <c oughs> <c oughs> ก็ต้องอยู่กับคนพิการไปแต่เราไม่ได้เป็นคนพิการแต่เราใช้คนพิการร่ <c oughs> างกายเป็นคนรับใช้เราเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใจนะ <Okay. S 2> อยากถามแค่นี้พ่ อ, อคุณแค่พอได้ยังคำถามมีคําถามจากทาง y o ยูทูบจั ก, าจากคพรรดิคุณอุ๊กราบถามพระอาจารย์ค่ะอารมณ์ต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเพราะอารมณ์เกิดจากความคิดสังขารใช่ไหมคะก็มีหลายอย่างที่ทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมารูปเสียงกิีดรถที่เราไปสัมผัสรับรู้ก็ทําให้เกิดอารมณ์ได้ ความคิดปรุงแต่งก็เกิดอารมณ์ได้ดังนั้นแต่ละอย่างเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้เพราะบางทีเหตุมัน <ys> เป็นเหตุที่ทําให้เป็นอารมณ์ไม่ดีก็ได้เป็นเหตุที่ทําให้อารมณ์ดีก็ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้ด้วยการยอมรับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์ดีหรือไม่อารมณ์ดีก็ยอมรับมันไปว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนดินฟ้าอากาศเรายอมรับมันได้เราก็ไม่ทุกข์กับมัน มันจะร้อนมันจะหนาแล้วก็รับบลได้เราก็ไม่ถูกคำถามจากทางเฟซบุ๊เจ้าหาจากคุณตั้มพะเยาขอกราบเรียนถามครับการสร้างสติท่องพุทโธพุทโธไปตลอดวันถ้าทำต่อเนื่องจะทำให้เรามีสมาธิตอนนั่งได้ไวใช่ไหมครับใช่นั่งเดียวเดียวห้านาทีจิตก็สงบได้ <c oughs> คำถามจากยูทูบเจ้าค่ะจากคุณสุกัญญากราบเรียนถามเจ้าค่ะคนฝรั่งที่เขาไม่รู้จักพุทธพุทธศาสนาและไม่ทําบุญเหมือนกับเราถ้าเขาตายไปเขาจะไปอยู่อบายภิใช่ไหมเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าเขาทาบาปหรือเปล่าถ้าทําบาปก็ไปอยู่อบายถ้าทําบุญก็ไปสวรรค์นี้ถ้าทําทั้งบุญทั้งบาปก็ต้องดูว่าอันไหนมีกําลังมากกว่ากัน ถ้าทำบาปมากกว่าบุญก็ไปอาบายก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าบุญมากกว่าบาปเข้าต่อไปก็ไปเกิดในสวรรค์ต่อเจ้าค่ะมีคำถามจาก u t ท b e เจ้าค่ะจากคุณเที่ยวไปเรื่อยๆต้องทำสมาธิมากพอขนาดไหนจึงจะพิจารณาทางปัญญาได้ครับหรือว่าสมาธิอิ่มเองจะรู้เองว่าจ ะ, จ ะ, พ, จะพิจารณาตอนไหน พิจารณาตอนที่เราหยุดหยุดกิเลสได้ถ้ายังหยุดกิเลสไม่ได้ไปพิจารณาปัญญาก็ปัญญาก็ไม่สามารถทําให้กิเลสหยุดได้ต้องอาศัยสมาธิเป็นกําลังปัญญาเป็นเพลงบอกว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสพอเรารู้ว่านี้เป็นกิเลสเราก็ต้องหยุดมันถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีกําลังที่จะหยุดมันถ้าเรามีสมาธิเราก็มีกําลังที่จะหยุดมันเช่นความอยากไม่แก่มันก็เป็นกิเลส ถ้าไม่ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ก็ต้องอยาไปอยากไม่แก่ปล่อยมันแก่ไปการจะหยุดความอยากไม่แก่ได้ก็ต้องมีสมาธิที่หยุดที่หยุดกิเลสไม่ได้เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะก็หมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติ เอความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ